คิ้าบทวิพันธ์454คำว่าก็สถานที่ไม่ใช่อาสนะที่กำบังอธิบายว่าอาสนะเปิดเผยคือที่ไม่ได้กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนแม่นบังต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึง่งคำว่าไม่พอจะทำการได้คือไม่อาจจะเสพเมถุนกันได้คำว่าแต่เป็นสถานที่พอจะพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วยหยามได้คือ อาจาพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยคําช่วยยาบคาว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตัดเรียกว่าก็ใดคําว่าพิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าบนอาสนะเช่นนั้นคือบนอาสนะเห็นปานนั้นที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ยุริฉานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตผู้ภาษิตคำหยาบและคำสุภาพคำว่ากลับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคาว่าสองต่อสองได้แก่พิสูจนกับมาตัวคำที่ชื่อว่าที่รับได้แก่ที่รับตาและรับหูที่ชื่อว่าที่รับตาหมายถึงสถานที่ซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตา ยักคิ้วหรือผงกศีรษะขึ้นใครๆก็ไม่สามารถเห็นได้ที่ชื่อว่าที่รับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่มีใครสามารถได้ยินถ้อยคําที่พูดกันตามปกติได้คําว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งพิกษุ น, ก น, น, นั่งใกล้หรือนอนใกล้เมื่อพิสูจนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้หรือนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนอุบาสิกาชื่อว่ามีวาจาเชื่อถือได้คือหญิงผู้บรรลุผล ผู้ตรัสรู้ธรรมผู้เข้าใจศาสนาดีที่ชื่อว่าอุบาสิกาได้แก่หญิงผู้ถึงพระพุทธเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะคําว่าได้เห็นคือได้พบอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้กล่าวโทษด้วยอับัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาับัตสองอย่างคือสังฆธิเศษหรือปาริจิตีภิกษุยอมรับการนั่งพึ่งถูกปรับอับัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอับัตสองอย่างคือ สังฆาทิเศษหรือปัจิตติอีกประการหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวจาจาเชื่อถือได้นั้นกล่าวโทษด้วยอาบัตใดที่สูนั้นพึงถูกกลับด้วยอาบัตนั้น